มันว่าเอาเพื่อนที่ดีแน่คนดีมีที่ไหนเห็นไหมหาคนดีเห็นไหมคนทั้งวัดมีแต่คนไม่ดีทั้งนั้นแหละดีเราคนเดียวละมั้งเราจึงหนีเข้ามาเนี่ยต้องตามมันอย่างนี้สะกดรอยตามมันไปมันรู้สึกขึ้นมาเอออันนี้มันก็สำคัญเหมือนกันนะแล้วคนดีอยู่ที่ไหนไม่มีคนดีทั้งนั้นแหละคนดีอยู่ที่ตัวเราทุกวันนี้อาตมาก็ยังมาสั่งสอนลูกศิษย์อาตมาอยู่เสมอว่า